วันบ่ายวันที่พระสารีบุตรบรุอรหัตผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์ณนะเวรุวันมหาวิหารทรงประธานตําแหน่งอัคราสาวกแก่ท่านทั้งสองคือให้พระสารีบุตรเป็นพระอัคราสาวกฝ่ายขวาพระโมคคลานะเป็นอัคราสาวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปฏิโม ค, คือพระโอวาทอันเป็นหลักสําคัญมีในดังนี้หนึ่ง ความอดทนอันเป็นตะบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยุ่ยยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่สมควรเป็นบรรพชิตหรือสมณะ 2. การไม่ทําบาปทั้งปวง 1. การสร้างกุศลให้พรั่งพร้อมหนึ่งการชําระจิตของตนให้พงแพ้วหนึ่ง 3ประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย3การไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเข้นฆ่าใครๆการสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบวินยัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สังัดการประกอบเนือ ง, งซึ่งความเพียรทางจิตทั้งหกประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนอารมณ์ที่น่าปรานาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทําให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วเพราะอดกลั้นได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาได้กระทบกระทั่งกับอนิจฐารมอย่างจัง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 อำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักสุมืดมนลงให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกำหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจนต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มักสายเสียแล้ว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 คนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรของนักพรตเป็นตะบะของผู้ต้องการบำเพ็ญตะบะแม้นักพรตผู้เริงแรงด้วยตะบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกัน ทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิสนมด้วยสตรีดูกรพราดาในตอนที่สมแห่งพระโอวาทปฏิโมกนั้นดูเหมือนพระบ ร, รมศาสดาจะทรงมุ่งแสดงคุณสมบัติของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ก้าวร้าวไม่เบียดเบียนมีระเบียบวิ น, นัยดีไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องสแสวงหาความสงบ และทำความเพียรทางจิตคือสมะถะวิปัสนาอยู่เสมอไม่ทอดทระในอธิจิตตสิกขาคุณสมบัติดังกล่าวมาผู้เผยแผ่ศาสนาควรคำนึงอยู่เป็นนิตและควรบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนอันหนึ่งผู้มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไม่ควรคิดแต่จะเผยแผ่ศาสนาหรือหลักธรรมให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่ควรเผยแผ่ศาสนาให้แก่ตนเองด้วย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 ความหนักเบาของน้ำเสียงแต่การอบรมตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงนั้นพวกเขามักละเลยเสียอันที่จริงการทำได้อย่างที่สอนนั่นแหละคือยอดแห่งพุทธวิธีในการสอนบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปหรือพูดน้อยแต่ได้ผลมาก ในพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งใครๆเรียกท่านว่าเอกอุทานแปลว่าเทศสอนอยู่เรื่องเดียวท่านประจําอยู่ในป่าท่านเทศเทไรทั้งมนุษย์และเทวดาก็สาธุการกันสนันวันไหวต่อมามีพระธรรมกะถึกผู้มีชื่อเสียงมากเรียนมากรู้มากมีสิทธิ์มากไปพักณสำนักของพระเอกอุทานเถระถึงวันอุโบสถ ท่านนิมนต์ให้พระธรรมกถึกนั้นเทศพระธรรมกถึกเทศนาอย่างวิจิตพิสดารพอจบลงไม่มีใครสักคนเดียวที่สาธุการเงียบกันไปหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระธรรมกถึกนั้นพูดได้อย่างเดียวส่วนพระเอกอุทานท่านทําได้อย่างที่ท่านพูดเรียบว่าบานออกมาจากข้างในให้รู้สึกทราบซึ้งกินใจผู้ฟังยิ่งนัก พูดน้อยแต่ได้ผลมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ตนทำไม่ได้แล้วจะให้เลิกพูดเลิกสอนสิ่งนั้นเสียควรพูดและควรสอนอยู่นั่นเองเป็นทํานองว่านำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายมาบอกเล่าเปิดเผยให้รู้กันท่านที่อุปนิสัยดีมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อฟังแล้วอาจทาได้อย่างพระอริยเจ้านั้น ตัวอย่างเคยมีมาแล้วพระกลุ่มหนึ่งประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระาศาสดาแล้วเดินทางเข้าไปในป่าบำเพ็ญเพียรอยู่ได้อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปธรรมพิกาถวายอาหารได้บอกกรรมฐานคือกายคตาสติภาวนาพิจารณากายซึ่งมีอาการ32มมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอาทิให้เห็นว่าไม่งามโสโครก อุบาสิกาเรียนกรรมฐานแล้วไปพิจารณาได้สำเร็จอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามในขณะที่ภิกษุผู้บอกกรรมฐานยังมิได้สำเร็จอะไรเลย ขอย้อนกล่าวถึงเรื่องที่พระาศาสดาทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคลลานะเป็นอัครสาวกต่อไปครั้งนั้นเมื่อพระาศาสดาทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนพระพุทธองค์ว่าทรงประธานตำแหน่งโดยเห็นแก่หน้าไม่เป็นธรรมความจริงแล้วควรประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระัญญาโกนทัญญ กับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีเพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อนถ้าไม่ประธานแก่ภิกษุปัญจวัคคีก็ควรประธานแก่ภิกษุกลุ่มห้หรูปมีพระยาศะเป็นประมุขหรือมิฉะนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทธวคคีผู้สำเร็จมรรคผลณไร่ฝ่ายถ้าไม่ประธานแก่พวกพัทธวคคีก็ควรประธานแก่ภิกษุปุราณชดินสามพี่น้อง มีท่านอุรุเวละกสปะเป็นต้นแต่พระศาสดาหาทรงทำอย่างนั้นไม่ทรงเห็นแก่หน้าประธานตำแหน่งอครส า, าวกแก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้บวชใหม่เพียงไม่ถึงเดือนพระดาภิกษุผู้ติเตียนไม่รู้ความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่านั้นมีพระบรรจาวัชีเป็นต้นไม่รู้มโนปณิธานของแต่ละท่านว่าได้บาเพ็ญบารมีมาอย่างไร ประสงค์สิ่งใดสูงสุดในชีวิตของตนพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายตํานิติเตียนพระองค์เช่นนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตําแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่แต่เราได้ให้ตําแหน่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วเขาได้รับตําแหน่งที่เขาเคยทําบุญแล้วปรารถนาไว้นั่นเองภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปสัสสีนับถอยหลังจากนี้ไป91กับโกนทัญญะเกิดเป็นกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อจุลการได้ปลูกไร่ข้าวสาลีไว้มากวันหนึ่งได้ฉีกข้าวสาลีที่กําลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดูรู้สึกรสอร่อยจึงขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันฉีกรวงข้าวสาลีที่กําลังท้องนั้นให้เคี่วด้วยน้ํานมจนข้นแล้วปรุงด้วยเนยใสน้ําผึ้งและน้ําตากลกรวด แล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเป็นประมุกแล้วตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่นในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าเข้าเมา่ได้ถวายทานอันเลิศด้วยเข้าเมาหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤ ด, ดูเก็บเกี่ยว ยิ่งเขาทำบุญมากทรัพสมบัติของเขายิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้เป็นอนิสงค์แห่งการประพฤติ ธ, ธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันหนึ่งผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปทุคติไม่ตกต่ํา แม้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเขาถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรุธรรมอันเลิศก่อนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอัญญากณทัญญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วณบัดนี้พระราดาพระตถาคตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่า รำนั่นแหละย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติทธำธรรทำนำความสุขมาให้แต่ศาสนิกจํานวนไม่น้อยไม่ไว้ใจธรรมกลางแครงสงสัยในธรรมว่าจะให้ความสุขจริงหรือประพฤติแล้วได้อะไรความจริงเมื่อเขาประพฤติทมก็ได้ทำนั่นเองเมื่อได้ทำแล้วการได้อย่างอื่นก็ตามมาทมนั่นแหละเป็นผู้อํานวยสิ่งต่างๆให้ ถ้าเขาเสื่อมจากธรรมก็จะเสื่อมหมดทุกอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดชื่อว่าได้ประพฤติธรรมแต่ต้องเป็นหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมนั่นแหละจะอํานวยลาบยศสรรเสริญและสุขสวัสดีให้แก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนุษย์เรามีหน้าที่หลายอย่างคนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทาหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดครบถ้วนที่สุด และถูกต้องที่สุดผู้ปกครองหรือผู <anyway> sort of ้นํามวลชนจะต้องปกครองโดยธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่ารำอย่างไรเล่า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 เราต้องอาศัยธรรมเขารบธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรม ให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมให้ธรรมเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมุนีตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมปราดาด้วยเหตุนี้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 อะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของบุคคลผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ทำอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรา จึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ําไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้สแสวงสัจจะคนยิ่งมีความยึดถือมากก็ยิ่งมีความกลัวมากไม่มีอะไรจะกลัวเฉพาะหน้าก็กลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกทำพร่ำสอนอยู่ว่าจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิด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 ไปสู่ภูเขาเพ่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสําคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้สแสวงสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้น มีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมมัก์แห่งกษัตรายธิราชหรือมหาจากักรพรรดิผู้เล่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วชไนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมมักร์เพื่อสแสวงหาความสงบเย็นให้แกดวงจิตเมื่อพระองค์ประสบความสาเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้